วันนี้เป็นวันพระเป็นวันอาทิตย์ที่แปดพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง3ห้ากสบสาตรงกับวันแรงแปดค่ำเดือนสิบสองเป็นวันพระวันธรรมศวนะเป็นวันฟังธรรม เป็นวันมงคลอย่างยิ่งเพราะการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งคือเป็นประโยชน์สุขแก่จิตใจเพราะการฟังธรรมมีประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรม ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทำที่เคยได้ยินแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปได้สี่ทำให้มี สัมมาทิฏฐิมีดวงตาเห็นธรรมและห้าทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือประโยชน์สุขที่เป็นมงคลต่อชีวิตที่ผู้ฟังธรรมจะพึงได้รับกันแต่การที่จะได้รับประโยชน์สุขอย่างสูงสุดการฟังธรรมก็ต้องฟังแบบ ดิ้นกับแกงไม่ได้ฟังแบบทับพีในหม้อแกงเพราะทับพีไม่รู้รสชาติของแกงต่อให้แช่ทับพีไว้ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็ตามจะไม่รู้ว่ารสของแกงนั้นเป็นรสอะไรเป็นรสเผ็ดรสหวานหรือรสจืดทับพีไม่มี การรับรู้ได้แต่ถ้าเป็นลิ้นที่สัมผัสกับแกงนี้แม้แต่เป็นเพียงหยดสองหยดนี้ลิ้นจะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงจืดเป็นแกงเผ็ดเป็นแกงหวานฉันใดผู้ฟังทำก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกง คือต้องรับรู้ว่าธรรมที่แสดงนั้นกำลังแสดงอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นต้นการที่จะฟังธรรมแบบลิ้นกับแกงนี้ผู้ฟังจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือไม่มีการกระทา ทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองร่างกายก็ต้องนั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรในขณะที่ฟังธรรมวาจาคือการพูด <c oughs> ก็ต้องไม่พูดคุยกันใจคือความคิดก็ต้องหยุดคิดอย่าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมา อย่าไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆในขณะที่ฟังธรรมให้คิดอยู่กับธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เท่านั้นนี่คือวิธีการฟังธรรมที่เรียกว่าเป็นลิ้นกับแกงเพราะถ้ามีกายวาจาใจที่สงบแล้วผู้ฟังจะได้ฟัง ทำทุกคำพูดเลยจะรู้ว่าธรรมนี้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือไม่จะรู้ว่าธรรมนี้ได้เคยฟังซ้ามาแล้วแต่ทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปทำให้ความลังเลสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมนั้นลดน้อยถอยหายไปทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง มีสัมมาทิฏธิทำให้จิตใจสงบผ่องใสอันนี้คือ <c oughs> การฟังธรรมที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง <c oughs> ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดอันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธท่านที่ชอบฟังธรรมไปในขณะที่ทำอะไรบางอย่าง เช่นบางท่านขับรถไปก็บางทีก็เปิดฟังธรรมไปแทนที่จะเปิดฟังเพลงก็เปิดฟังธรรมไปอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบก็ดีกว่าดีกว่าไปฟังเพลงขับรถไปฟังธรรมก็ได้ธรรมะได้ฟังธรรมเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะระหว่างการขับรถก็ต้อง ใจก็ต้องไปดูเรื่องรถอยู่ด้วยเรื่องถนนหนทางใจก็จะแบ่งไปแบ่งมากลับไปกลับมาระหว่างการฟังธรรมกับการขับรถ <Yeah. S 1> ก็จะได้รับประโยชน์เพียงครึ่งเดียวได้ฟังเพียงครึ่งเดียวซึ่งถ้าไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่อง <Yeah. S 1> ความเข้าใจก็อาจจะไม่เกิดขึ้น <Yeah. S 1> เมื่อไม่ ความเข้าใจไม่เกิดขึ้นความมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ห้ามท่านที่ชอบฟังธรรมในขณะที่ทำอะไรไปด้วยแทนที่จะฟังข่าวสารการเมืองการบ้านหรือฟังเพลงฟังธรรมแล้วมีความรู้สึกสบายใจกว่าก็ฟังได้ เพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเท่านั้นถ้าอยากจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดควรจะนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรแล้วก็ไม่พูดคุยกันแล้วก็ตั้งใจฟังคือไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฟังทำ ถ้าสามารถควบคุมกายวาจาใจให้นิ่งให้สงบได้ <Yeah. S 1> จะได้รับประโยชนจากการฟังธรรมอย่างในสมัยพระพุทธการ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกนี้ทรงเลือกแสดงธรรมให้กับผู้ที่มีกายวาจาใจที่สงบ <Yeah. S 1> คือพวกที่เป็นนักบวช นักบวชนี้เขามีกายวาจาเขาควบคุมกายวาจาของเขาให้อยู่เฉยๆได้ให้นั่งเฉยๆได้ไม่พูดไม่ทำอะไรได้แล้วเขาสามารถควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้เพราะเขามีสมาธิกันเขาเข้าฌานได้มีสติที่จะควบคุมใจให้อยู่กับการฟังทมเพยงอย่างเดียว เขาฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปสู่ในใจของเขา ท, ทันทีเขาก็เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ท, ทันทีบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแสดงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของผู้ฟังนั่นแหละ คืออริยสัจสีความทุกข์ใจนี้มีอยู่ในใจของผู้ฟังทุกคนและเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็มีอยู่ในใจของผู้ฟังทุกคนเหตุที่ทำให้ใจทุกข์กันก็คือความอยากต่างๆนี่หรือถ้าเราจะเรียกง่ายๆก็เรียกว่ากิเลสตัณหาความโลภความโกรธต่างๆเวลาใจเกิดความโลภเกิดความโกรธแล้ว ใจจะทุกข์จะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าใจของผู้ที่มีความโลภความโกรธนี้ไม่มีสมาธิจะมองไม่เห็นเพราะไม่ได้มองเข้ามาในใจจะมองไปที่ข้างนอกมองไปที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆและเวลาเกิดความทุกข์ใจก็ไปโทษสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ว่าทาให้ตนเองทุกข์ใจ <Yeah. S 1> เช่นได้ยินเสียงขาลหานินทาดุด่าว่ากล่าว <Yeah. S 1> ใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วก็ไปโทษคนที่เขาพูดขาลาหานินทาว่าทาให้ใจทุกข์ให้ใจร้อน <Yeah. S 1> แต่ความจริงถ้าเข้ามาดูที่ใจจริงๆแล้วจะเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจาก ความอยากของใจความอยากไม่ให้ได้ยินเสียงข้รหานินทานั่นเองไม่ต้องการได้ยินได้ฟังคนที่เขาดูด่าว่ากล่าวตาหนิติเตียนเป็นความอยากนี้ต่างหากที่ทำให้ใจทุกข์แต่เวลาที่ใจนิ่งใจเฉยๆเป็นอุเบกขาเนี่เวลาได้ยินเสียงข้ารหานินทานใจกับไม่ทุกข์ ใจกับรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนนี <Yeah. S 2> ่หละทำไมการฟังธรรมถึงจะบรรลุธรรมได้เนี่ยผู้ฟังต้องมีใจที่สงบนิ่งใจที่เป็นอุเบกขาแล้วจะเข้าใจทันทีว่าความทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นเวลาที่เกิดความอยากภายในใจขึ้นมาไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้อื่นแต่อย่างใด ผู้เขาจะดา่าเขาจะว่าอย่างไรเขาจะทุบจะตีอย่างไรถ้าใจไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์กับการกระทําของผู้นนี่แหละเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองความอยากได้สิ่งที่ชอบความอยาก ไม่สูญเสียสิ่งที่รักไปเวลาได้สิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเสียสิ่งที่รักไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดจากความอยากนี้อยากให้สิ่งที่รักที่ชอบนี้อยู่ไปเรื่อยๆไม่ให้จากเราไปอยากให้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่ให้มาสัมผัสกับเราแต่ เราอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆได้ <Yeah. S 2> สิ่งต่างๆเขาจะมาในรูปแบบไหนเขาก็มาได้บางทีเขาก็มาดีบางทีเขาก็มาไม่ดี <Yeah. S 2> ถ้าใจมีความอยากได้แต่สิ่งที่ดีไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดี <Yeah. S 2> พอไม่ได้สิ่งที่ดีก็ไม่สบายใจพอได้สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่สบายใจเหมือนกัน yeah. แต่ถ้าใจเป็นกลางใจเฉยเฉยไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้สิ่งที่ดีไม่อยากไม่ต้องการที่จะหนีจากสิ่งที่ไม่ดีไปใจเฉยเฉยได้ใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจระ ง, งับความอยากได้ดังนั้นผู้ที่มีสมาธิมีจิตที่สงบเวลาฟังธรรมก็จะ เข้าใจและสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีคือเห็นธรรมในใจนั mm ่นเองเห็นอริยสัจสี mm ่ hmm. เห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยาก mm hmm. เห็นว่าทุกดับได้ด้วยการหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกๆนี้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเรื่องอริยสัจสี่เป็นหลัก ให้แก่นักบวชคือผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีกายวาจาใจที่สงบพอเขาฟังแล้วเขาก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีเกิดเห็นสมาธิทิเห็นอริยสัจสีภายในใจของเขาทันทีแล้วเขาก็สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ทันทีเวลาที่ เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาก็จะมาดับความทุกข์ด้วยการหยุดความอยาก<ม>เราจะไม่ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ไปขอร้องให้เขาอย่าทำร้ายเราอย่าพูดไม่ดีกับเรา<ม>แต่มาหยุดความอยากของเราความอยากที่ไม่อยากให้เขาทำร้ายเราไม่อยากให้เขาดูด่าว่ากล่าวเรา พอเราหยุดตัวนี้ได้แล้วความทุกข์ใจก็ไม่มีเน้น ใ, ในยุคแรกๆนี้พระพุทธเจ้าจะมุ่งไปที่นักบวชเป็นหลักในการแสดงธรรมเพราะสามารถที่จะทำให้เขาเข้าถึงธรรมได้อย่างทันทีทันใดมีดวงตาเห็นธรรมได้อย่างทันทีทันใดบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกนี้มีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งันสองรห้าสบรูปเจ็ดเดือนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดที่ผ่านมาคือวันอาสาหะบูชาแล้วก็ไปถึงวันเพ็ญเดือนสามคือวันมาฆบูชาที่จะมาในปีหน้านี้ รวมเวลาก็เป็นเวลาเจดเดือนด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับผู้เป็นนักบวชเป็นส่วนใหญ่ไปแสดงธรรมตามสำนักต่างๆทุกครั้งที่แสดงธรรมเสร็จผู้ฟังในสำนักนั้นบรรลุธรรมขึ้นมาพร้อมๆกันเลยบางทีห้าร้อยรูปฟังธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาทีเดียวห้าร้อยรูปเลยเพราะผู้ฟังนี้เขาฟังด้วย ศีลด้วยสมาธิเขาสามารถควบคุมกายวาจาของเขาให้นิ่งให้สงบได้สามารถควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้สามารถควบคุมใจให้เป็นอุเบกขาได้เขาก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเท่าที่ปรากฏในหลักฐานในพระไตรปิฎกก็ มีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคะบูชาคือหลังจากที่พระที่ฟังธรรมได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระเหล่านั้นกระจายกันไปทิศ ต, ต่างๆเพื่อเอาธรรมันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ อยากรู้อยากฟังกัน <Yeah. S 1> หลังจากที่ท่านไปจากระยะหนึ่งท่านก็มีความคิดถึงพระพุทธเจ้ากัน <Yeah. S 1> ท่านก็เลยเดินทางมาเฝ้ามาเยี่ยมพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> โดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน <Yeah. S 1> วันมาฆบูชานี้เป็นวันที่มีพระอาหารหันตัสาวกหนึ่งหบรูปมาประชุมมาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้นัดหมายกัรล่วงหน้ามาก่อนแล้วพระที่มาเฝ้านี้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแสดงธรรมให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์และหลังจากที่ได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุในศาสนาพุทธจากพระพุทธเจ้า mm hmm. นี่คืออา น, นิสงส์งของการฟังธรรม ด้วยกายวาจาใจที่สงบจะได้ประโยชน์อย่างมากอย่างน้อยที่สุดถ้าตั้งใจฟังถ้ายังไม่บรรลุธรรมสิ่งที่ควรจะได้จากการฟังธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นหัวห อ, อกของของมรรคของทางสู่การดับทุกข์ทั้งปวง ผู้ที่ต้องการจะดับทุกข์ทั้งปวงยุติการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการบรรลุถึงพระนิพพานจำเป็นต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้นำนำทางไปสัมมาทิฏฐิคือความเห็นว่าผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ผู้ที่ทําบาปทํากรรมนี้ผู้ที่รับผลบุญผลกรรมผลบุญผลบาปนี้คือใจ ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำบุญกระทำบาปไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปไม่ได้ไปเกิดไม่ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือใจที่มาครอบครองร่างกายอยู่ในตอนนี้ผู้ที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ สั่งให้ร่างกายพาไปทาบุญสั่งให้ร่างกายพาไปทาบาปสั่งให้ร่างกายไปปฏิบัติธรรมไปฟังเทศฟังธรรมผู้ที่สั่งนี้เป็นผู้กระทาผู้ที่พาไปนี้เป็นเหมือนกับเป็นพาหนะเหมือนรถยนต์เวลาที่ญาติโยมต้องการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนญาติโยมก็ขึ้นรถ แล้วก็ขับรถไปตามสถานที่ที่ต้องการจะไปผู้ที่พาเราไปคือรถยนต์ถ้าเกิดรถยนต์ไปชนคนตาย <Yeah. S 1> เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเขาไม่จับรถยนต์ไปลงโทษ <Yeah. S 1> เขาจับคนขับไปลงโทษ <Yeah. S 1> ไปตรวจ ด, ดู ว, ว่ า, มาเมาแล้วขับหรือเปล่า <Yeah. S 1> ถ้ า, มาเมาแล้วขับก็ถือว่าเป็นโทษ ถ้าเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ไม่เป็นโทษ <Yeah. S 1> อันนี้ใจก็เหมือนกับคนขับรถยนต์นี่ <Yeah. S 1> ใจเป็นคนทำบุญทำบาปแล้วใจก็เป็นผู้รับผลบุญผลบาปที่ได้ทำ <Yeah. S 1> การกระทำของใจนี่แหละทำให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมา <Yeah. S 1> ถ้าใจทำบาปใจก็จะทุกข์ yeah. ถ้าใจไม่ทำบาปใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าใจทำบุญใจก็จะมีความสุขถ้าใจมีความอยากใจก็จะทุกข์ถ้าใจไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ต้องเข้าใจว่าใครเป็นผู้กระทำใครเป็นผู้สร้างความทุกข์และใครเป็นผู้รับผลของความทุกข์ใจนี่แหละคือผู้ทำบุญทำบาปแล้วใจนี่แหละเป็นผู้รับผลของบุญของบาปเวลาทำบุญแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเวลาทำบาปแล้วใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาในใจทันทีนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะพาให้การกระทาทางกายทางวาจานี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์พอรู้แล้วว่าใจเป็นผู้คิดถ้าคิดไปในทางทำบาปใจก็ทุกข์ ถ้าคิดไปตามความอยากใจก็ทุกข์ถ้าคิดไปการทําความดีไปการทําบุญใจก็สุขพอรู้อย่างนี้ก็จะมีสัมมาสังกโปคือความคิดที่ถูกต้องจะคิดละบาปจะคิดไม่ทําบาปจะคิดทําแต่บุญจะคิดชําระใจให้สะอาดกําจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเบื yeah. mm ้ hmm. องต้นเราต้องคิดก่อนและก่อนที่เราจะคิดเราต้องมีความเห็นก่อนมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกมีความเห็นที่ถูกต้องพอ mm hmm. เรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะคิดไปในทางที่ถูกต้องคือเราจะไม่ทำบาป mm hmm. แต่คนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐินี้ mm hmm. เขาจะไม่เห็นว่าทำไมต้องไม่ทำบาปด้วยทำบาปแล้วได้อะไรเยอะแยะ ได้เงินได้ทองมามากมายอย่างง่ายดายและรวดเร็ว mm hmm. แต่เขาไม่เห็นผลของการกระทำบาปว่าเกิดเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาในใจ mm hmm. เขาไม่เห็น mm hmm. เขาไม่รู้ mm hmm. เขาก็เพียงแต่คิดว่าทำบาปแล้วถ้าไม่ถูกเขาจับไปลงโทษก็ไม่ไม่ทุกข์เช mm ่น hmm. ทำผิดกฎหมาย mm hmm. ไปลักขโมย mm hmm. แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับไปลงโทษ เขาก็คิดว่าทำบาปแล้วได้ประโยชน์ได้ความสุขไม่เห็นจะได้ความไม่ได้เห็นจะได้โทษแต่อย่างใดคนที่ทำบาปนีเพราะเขามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นว่าทำบาปแล้วกลับได้ดิบได้ดีได้ความสุขได้ความเจริญแต่สิ่งที่เขาได้นั้นมันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำ ทำบาปหรือทำมันเป็นผลพลอยได้คือเขาทำบาปแล้วเขาได้เงินได้ทองมาอันนี้เป็นผลพลอยได้ซึ่งเป็นผลที่เดี๋ยวเดียวก็หมดได้เงินได้ทองมาใช้ไปเดี๋ยวเดียวก็หมดแต่ผลของบาปจริงๆนี่มันฝังอยู่ในใจคือความทุกข์ใจความไม่สบายใจ มันจะติดอยู่กับใจไปจนกว่ามันจะแสดงผลของมันหมดนะแล้วมันไม่หมดตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราตายไปนี้บาปที่เราได้ทำไวสะสมไว้ในใจนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ใจของเรานี้ไปเกิดในอบายต่อไปไปเป็นเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกบ้าง ดังนั้นผู้ที่มีสัมมาทิฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะไม่กล้าทําบาปจะไม่คิดทําบาปจะคิดทําแต่บุญจะคิดชําระใจให้สะอาดบริสุดตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์ที่มาตรัสลุ้และมาเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลกนี้จะสอนให้สัตว์โลกคิดไปในทางที่ดีคิดในการละบาป คิดในการสร้างบุญสร้างกุศลคิดในการกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้ก็เป็นมรรคข้อที่สองที่จะตามมาหลังจากที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะมีความคิดที่ถูกต้องพอมีความคิดที่ถูกต้องเวลาจะทำอะไรก็จะมีการกระทำที่ถูกต้องเช่น คิดว่าจะไม่ทำบาปต่อไปนี้ก็จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่ดื่มสุรายาเมาของมึนเมาต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทาที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตเป็นองค์ที่สามของมรคมรคคือพาฮะณะที่จะพาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกนี้เอง ก็จะไม่มีการกระทำบาปสำหรับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกปรมีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องก็จะมีการกระทำที่ถูกต้องคือจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดแล้วก็จะมีข้อที่สี่มรรคข้อที่สี่ตามมาคือสัมมาวาจาคือการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็คือการไม่พูดปดเนี่อง จะพูดอะไรก็จะพูดแต่ความจริงเพราะพูดปดแล้วจะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา <c oughs> เวลาที่เราพูดปลดนี่เราจะมีความไม่สบายใจเพราะกลัวว่าจะถูกเขาจับได้ว่าเราพูดปด <c oughs> แล้วพอเขารู้ว่าเราเป็นคนโกหก <c oughs> ก็จะไม่มีใครเขานับถือเรานั่นเอง <c oughs> เราทุกคนต้องการให้คนเขานับถือเรา <c oughs> เราก็พยายามที่จะไม่พูดปดกัน พูดความจริงแล้วก็จะไม่มีใครมาตำหนิติเตียนเราได้มากล่าวร้ายเราได้เพราะเราพูดตามความเป็นจริงนี่คือสัมมาวาจาคือการพูดที่ถูกต้องคือการพูดความจริงถ้าเราพูดความจริงแล้วเราประกันได้ว่าใจเราจะไม่ทุกข์เพราะความจริงมันไม่ทำให้ใครทุกข์ความทุกข์มันเกิดจาก ใจที่ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นเองเวลาเราพูดความจริงแล้วเขาไม่ยอมรับความจริงเขาก็เกิดความไม่สบายใจได้เช่นเราไปบอกว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่เขาไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายพอเขาได้ยินเขาก็ทุกข์ใจขึ้นมาเขาไม่สบายใจขึ้นมาเขาไม่พอใจจากการพูดของเราแต่นั้นเป็น เป็นเรื่องเป็นความผิดของเขาที่เขาไม่ยอมรับความจริงว่าไม่ว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วนี้จาเป็นที่จะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายด้วยกันทุกคน mm hmm. เวลาที่แสดงธรรมก็ต้องพูดความจริงให้คนฟังคนฟังบางคนก็อาจจะไม่ชอบ mm hmm. เพราะว่าเขายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่ พอไปพูดความจริงให้เขาฟังเขาก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีแต่เขาไม่รู้หรอกว่าความจริงนี่แหละที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเขาต่อไปได้ถ้าเขามาคิดบ่อยๆเข า, เขาก็จะเห็นว่าไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันพอเขาเห็นความจริงแล้วเขายอมรับความจริงได้ต่อไปเขาจะไม่ทุกข์กับความแก่ ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาเพราะใจเขายอมรับได้ไม่ต่อต้านไม่ฝืนไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้นั่นเองดังนั้นเวลาพูดความจริงแล้วนี้ใจจะไม่ทุกข์แต่คนฟังนี้อาจจะทุกข์ถ้าเขาไม่ชอบความจริงเขาไม่ยอมรับความจริง เราก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าคนที่จะฟังนี้เขารับฟังรับความจริงได้หรือไม่ถ้าเขารับความจริงยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปพูดดีกว่าเช่นมีข่าวร้ายที่จะต้องบอกแต่คนที่ฟังนี้เขายังไม่พร้อมที่จะรับฟังเพราะถ้าบอกเขาแล้วเขาอาจจะเป็นลมเช่นบอกเขาได้สูญเสียคนที่เขารลกไปมีข่าวอุบัติเหตุ ถ้าดูสภาพเขาแล้วเขาไม่พร้อมที่จะรับเช่นยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ถ้าไปพูดกล้ จ, จะทำให้เขาตายได้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงแม้จะเป็นความจริงก็ไม่พูดก็ไม่เสียหายอะไรถ้าพิจารณาเห็นว่าถ้าพูดแล้วจะทำให้ผู้ฟังนี้นเกิโดโทษขึ้นมากับตัวเขาเองคือบางทีเขารับไม่ได้ เขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปไม่ได้แล้วเขาเจ็บไายได้ป่วยอยู่ก็อาจจะทาให้อาการเจ็บไายได้ป่วยสุดลงไปมากกว่าเดิมอาจจะทำให้เขาไม่มีกําลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปก็ได้เห็นเวลาพูดความจริงก็บางทีก็ต้องดูว่าผู้ฟังพร้อมหรือไม่การแสดงธรรมนี้เป็นการแสดงความจริง พระพุทธเจ้าจึงต้องให้ผู้ฟังต้องมาขออาราธนาให้แสดงธรรมก่อนถ้าไม่ได้อาราธนาไม่ได้บอกขอฟังธรรมก็อย่าพึ่งไปพูดธรรมเพราะพูดแล้วเดี๋ยวเขาจะอาจจะไม่สบายใจได้เพราะธรรมนี้กับกิเลสมันไม่ถูกกันมันทำให้กิเลสที่อยู่ในใจนี้ เ, เกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาได้ เวลาฟังธรรมเวลาจะแสดงธรรมนี้ถึงมักมีธรรมเนียมว่าจะต้องมีการอาราธนามีการขอขอรับฟังก่อนเผือแสดงความว่ายินดีที่จะฟังความจริงเพราะคำว่าธรรมก็คือความจริงนั่นเองถ้าไม่ขอไม่ยินดีฟังก็อย่าไปแสดงธรรมเช่น อ, อยู่ดีๆพระจะไม่ไปเคาะประตูบ้านแล้วเรีกยกญาติโยมมาฟังธรรมวันนี้จะแสดงธรรมให้ฟัง เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมก็อย่าไปไปแสดงธรรมแต่ถ้าเขามาวัดนี่แสดงว่าเขาพร้อมแล้วเขาอยากจะฟังแล้วเขาถึงมาวัดนี่ก็ถือว่าเป็นการขอโดยปริยายขอฟังธรรมโดยปริยายโดยที่ไม่ต้องมีการกล่าวเป็นเป็นธรรมเนียมเป็นพิธี ญาโยมเข้าวัดก็เข้ามาเพื่อหาธรรมหาความจริงกันนั่นเองหาสัจธรรมสัจธรรมก็คือความจริงสัจจะแปลว่าความจริงธรรมก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่แหละคือสัจธรรมก็คืออริยรรสัจสี่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรร เรามีความทุกข์ใจที่เกิดจากสมุทยัยก็คือความอยากเราจะหยุดความทุกข์ได้ก็เราก็ต้องมีมรรคมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกปรมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตมีมรรคที่ครบองแป8เพราะมรรคที่ครบองแป8นี้จะสามารถหยุดเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ได้ ก็คือความอยากต่างๆเราจรึงต้องมาเจริญมรรคกันมรรคข้อแรกที่เราต้องเจริญก็คือสัมมาทิฏฐินี่ใะการจะได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องหรือแสงสว่างแห่งธรรมก็ต้องเกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระ พ, พ, พุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีความรู้ที่ไหนที่จะเป็นแสงสว่างแห่งธรรม มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือธรรมะคำสอนแต่อยากจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่การกระทาการพูดการปฏิบัติที่ถูกต้องจาเป็นที่จะต้องศึกษาธรรมกันการศึกษาธรรมก็ศึกษาได้ด้วยวิธีฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านกาลังฟังอยู่ในตอนนี้หรือศึกษาได้ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะต่าง เหมือนกันสมัยก่อนสมัยพุทธกาลไม่มีคนอ่านหนังสือกันไม่ได้อาศัยการศึกการฟังธรรมเป็นการศึกษาธรรมแต่สมัยปัจจุบันนี้เรามีการพัฒนาการเรียนการอ่านการศึกษาเราสามารถศึกษาได้ด้วยการอ่านหนังสือถึงแม้ไม่มีการแสดงธรรมเราก็ยังสามารถศึกษาธรรมได้ เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็ได้ถูกแปลงไว้เป็นตัวอักษร อ, อยู่ในหนังสือที่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกกันหรือไปฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่มีธรรมผู้ที่ได้ศึกษาธรรมคือพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆพอเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรม เราก็จะได้อานิสงส์ของการฟังธรรมคือได้สัมมาทิฏฐิได้ความรู้ที่ถูกต้องอว่าเราควรจะทำอย่างไรจึงทำให้ความทุกข์ใจของเรานี้หมดไปให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันเราก็จะรู้ว่าวิธีที่จะทำให้เราไปถึงนิพพานให้เราพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องคิด คิดให้ถูกต้องก็คือคิดไม่ทำบาปคิดทำแต่บุญคิดชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็ต้องทำไม่กระทำบาปมีการกระทำที่ถูกต้องคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มของบุญเมาแล้วก็มีวาจาที่ถูกต้องก็คือการไม่พูดปดอันนี้ สามาวาจานี้ความจริงมีอยู่สี่ข้อด้วยกันแต่แบ่งไว้สำหรับสองพวกถ้าเป็นผู้ครองเรือนคารวดาญาตโยมนี้ยังไม่สามารถมีกำลังที่จะรักษาทั้งสี่ข้อได้ก็ให้รักษาข้อเดียวไปก่อนก็คือข้อไม่พูดปดแต่ถ้ามาเป็นนักบวชนี้ก็ต้องต้องต้องละเว้นอีกสามข้อคือการพูดคำหยาบ สองการพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องที่เป็นไร้สาระคือเรื่องนิมทากาเลกันซุบซิบกันว่าคนนั้นว่าคนนี้แล้วก็พูดให้เกิดความแตกสามคัคคีอันนี้เป็นเป็นสัมมาวาจาเป็นการพูดที่ถูกต้องสำหรับนักบวชในมรรคแปดนี้จะมีสี่ข้อในสัมมาวาจาเพราะว่า มัก8นี้เวลาแสดงนี้แสดงให้นักบวชฟังคือพระปัญจวัคคีย์มีอยู่ห้ารูปเป็นนักบวชเขามีความพร้อมที่จะรักษ า, าสามมาวาจาทั้งสี่ข้อได้เขาสามารถรักษาการไม่พูดปดได้ไม่พูดคำหยาบได้ไม่พูดเพ้อเจ้อได้ไม่พูดส่อเสียดคือยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีได้พระพุทธเจ้าก็สอนทั้งสี่ข้อ แต่สำหรับคารวาท์กคองเรือนอย่างญาติโยนี้บางทียังอยู่ในโลกที่เกี่ยวข้องกับคนชนิดต่างๆอยู่แล้วก็อาจจะไปติดเชื้อมาคือพูดเพ้อเจ้อชอบพูดเพ้อเจ้อกันติดเชือ้อชอบพูดคำหยาบกันเห็นเขาพูดคำหยาบบางทีก็อดที่อยากจะพูดตามก็ไม่ได้แล้วก็พูดให้ยุยงเกิดความแตกสามัคคีกัน อันนี้ยังเป็นนิสัยของคาราวาะอยู่สําหรับคาราวะาผู้ครองเนือนจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอสัมมาวาจาข้อที่ยากข้อที่ละเอียดเอาข้อที่ง่ายข้อที่สําคัญก็คือการไม่พูดปดกันการไม่พูดปดนี่ง่ายๆมากเพียงแต่ผูก ป, ปากไว้เท่านั้นเองก็จบก็ไม่มีการที่จะพูดปดใครเขาถามอะไรเราก็ถ้าเรารู้ว่าเราพูด ไปแล้วมันไม่เป็นความจริงก็อยากพูดเท่านั้นเองมันไม่ยากหรอกที่มันยากก็เพราะว่าเราอยากจะเอาใจคนฟังมากกว่าหรืออยากจะรักษาน้ําใจรักษาความเป็นมิตรกันถ้าพูดความจริงแล้วเขาจะโกรธเราขึ้นมาหรือเขาจะเกลียดเราขึ้นมาหรือเขาอาจจะไม่อยากจะคบคาสมาคมกับเราเราก็เลยต้องยอมพูดปดไป การรักษาน้าใจแบบนี้มันไม่ดีเพราะว่าเป็นการทำลายตัวเองทำให้เราเสียคนทำให้เราเป็นคนไม่มีสักด์จะไม่มีความน่าเชื่อถือน่าไว้ใจต่อไปถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนโกหกนี่ก็จะไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนที่พูดความจริงและบางทีถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่พูดเขาก็จะ มีความนับถือเราไว้ใจเราเพราะว่าเวลาพูดอะไรนี้เชื่อได้ว่าเป็นความจริงดังน mm ั hmm. ้นอย่าไปเสียดายคนอย่าไปเสียดายเพื่อนมีคนเยอะแยะในโลกนี้ mm hmm. ที่เราสามารถหาบางเป็นเพื่อนได้ถ้าเสียคนนี้ก็หาคนใหม่ได้ mm hmm. หรือถ้าหาไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไปดีกว่าพระพุท mm hmm. ธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่เขาดีกว่าเรา หรือดีเท่าเราได้ก็อยู่คนเดียวไปดีกว่าอย่าไปอยู่กับคนที่เขาเลวกว่าเราคนที่เลวกว่าเราก็คือคนที่ชอบให้เราพูดโกหกนั่นเองชอบให้เราพูดปดชอบให้เราโกหกหกลอกลวงเรียกว่าเขาก็เป็นคนชอบโกหกหกลอกลวงด้วยอย่างนั้นถ้าเราไม่สามารถหาคนดีที่เราจะคบได้เราก็อย่าไปคบกับคนไม่ดี เราคนไม่ดีจะดึงให้เราไปทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองถ้าเราครบกับคนดีคนดีเขาก็จะพาให้เราไปทําในสิ่งที่ดีเอ็งเขาจะสอนให้เราพูดความจริงให้เรามีสัจจะไม่ต้องโกหกถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถ้าพูดแล้วเมันไม่เป็นสัจจะก็อย่าไปพูดเท่านั้นเองไม่ต้องไปเสีย เสียดายคนนั้นคนนี้อย่าต้องไปเสียดายทรัพย์สินอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์เพื่อรักษารักษาศีลธรมรมสละชีวิตแม้แต่ชีวิตก็ให้สละเพื่อรักษาศีลธรรมเพราะศีลธรรมนี้จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ไปตกลงไปในที่ต่ํานั่นเองไม่ให้ไปตกไปในอบายไม่ให้ตกนรกแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมนี้ ใจเวลาร่างกายนี้ตายไปใจจะต้องตกไปในอบายไปรับผลบาปที่ตนเองได้ทำเอาไว้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าพูดพูดปดเราจะพูดแต่ความจริงการกระทําก็เช่นเดียวกันการกระทําบาปนี้ก็เป็นเหตุที่จะดึงให้ใจเราไปตกนรกตกอบาย เราจึงต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดราฉานก็ตางชีวิตของเขากับชีว e ิตของเรานี้มีค่าเท่ากันเท่ากันตรงไหนตรงที่ความรู้สึกของเขานั่นเองความรู้สึกของเขากับความรู้สึกของเราต่อชีวิตของเรานี้เหมือนกันทุกชีวิตนี้เขารักหวงชีวิตของเขาเหมือนกันเขาก็เพราะคุณค่าของชีวิตของเขานี้สําหรับ เขานั้นก็เป็นคุณค่าอย่างยิ่งชีวิตของเราร่างกายของเราก็มีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับเราอย่งนั้นถึงแม้เขาจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นแมลงเป็นมดเขาก็มีใจเหมือนเรามีความรักตัวกลัวตายเหมือนเราอย่งนั้นอย่าไปมองว่ายเขาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่เป็นไรตบได้เหยียบได้แล้วถ้าเกิดเรามียากแล้วช้างมันมาเหยียบเราบ้างเราจะคิดยังไง ทางมันก็บอกว่า เ, เราตัวนิดเดียวเหยียบไปไม่เป็นไรอันนี้ความรู้สึกมันเหมือนกันเวลาใครถูกทําร้ายชีวิตแล้วเขาจะทุกข์มากเวลาเราถูกทําร้ายชีวิตเราก็จะทุกข์มากให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กล้าไปทําร้ายผู้อื่นไม่กล้าไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเราก็จะมีมีกําลังที่จะ รักษาศีลได้ไม่ทําบาปได้หรือเอาคําพูดของพุทธเจ้ามาคิดอยู่เรื่อยๆให้สละชีวิตให้สละทรัพย์เพื่อรักษาธรรมรักษาศีลและธรรมไว้ศีลธรรมนี้มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีคุณค่ามากกว่าร่างกายของพวกเราเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับร่างกายนี้มันเป็นสมบัติชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตายไปแล้วเดี๋ยวสมบัติมันก็ จากเราไปแต่ใจนี้มันไม่มันอยู่กับเราาบบาปที่เราทํามันก็จะติดไปกับใจของเราแล้วจะไปทางดึงใจของเราให้ไปสู่ที่ต่างนั่นเองอย่างนั้นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้จะไม่กล้าทําบาปกันผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระอริยบุคคลทุกคนนี่จะไม่มีการกระทําบาปอีกต่อไปโดยเจตนา อาจจะมีการทำบาปด้วยการเป็นอุบัติเหตุได้ด้วยการผิดพลาดได้ mm hmm. เช่นเดินไปมองไม่เห็นมดอย่างนี้เหยียบได้ mm hmm. แต่ไม่ได้มีเจตนาไม่มีความตั้งใจ mm hmm. การจะทำอะไรที่เป็นบาปนี้ต้องมีความตั้งใจตั้งใจจะฆ่าตั้งใจที่จะลักทรัพย์ตั้งใจที่จะประพฤติผิดประเพณี mm hmm. ตั้งใจที่จะโกหก mm hmm. ต้องมีความตั้งใจ แล้วมีการกระทาถึงจะเรียกว่าเป็นบาปขึ้นมาแต่ถ้าเป็นการเหตุสุดวิสัย<ม>เป็นญาติยมขับรถไปสุนัขวิ่งตัดหน้ารถนี่แล้วก็ถูกรถชนตายอันนี้คนขับรถไม่มีเจตนาที่จะไปะขับรถชนสุนัขสุนัขนี้อาจจะเพราะความไม่มีสติสตัง<ม>ก็วิ่งเข้าตัดหน้ารถอย่างกระทนหันจอดรถไม่ทัน ก็ต้องทําให้สุนัขนั้นตายไปอย่างนั้นไม่เป็นบาปและไม่เป็นเวรเป็นกรรมด้วยสุนัขนั้นจะไม่มาจองเวรจองกรรมเราเพราะเขาไม่รู้จักเราเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําเขารู้ว่าเป็นความผิดพลาดของเขาเองเหมือนเวลาทําเวลาวเราทําอะไรผิดแล้วเราไม่ไปโทษคนอื่น mm hmm. เราจะโทษตัวเราเองว่าเราผิดเอง mm hmm. แล้วเราก็จะไม่ไปจองเวรจองกรรมกับผู้อื่นเขา mm hmm. นี่คือการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆต้องมีศีลคือสามมากรรมโตการกระทมและสามมาวาจาการพูดที่ถูกต้องแล้วก็จะพาให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆและเนื่องจากเรายังต้องมีอาชีพเพราะเรายังต้องเลี้ยงชีพของเราอยู่เราก็ต้องเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่ไม่ไปสร้างความ เสียหายเดือดร้อนกับผู้อื่นเช่นอาชีพที่ต้องทำให้ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะไม่ทำค้าเป็ดค้าไก่ค่าวัวค้าควายจับปูจับปลาจับอะไรมาขายอย่างนี้ <S <S เป็นการเป็นอาชีพที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายหรืออาชีพอย่างอื่นที่สนับสนุนการกระทำที่ไม่ดีเช่นขายสุรายาเมาอย่างนี้ หรือขายสิ่งที่เป็นพิษต่างๆหรืออาวุธต่างๆที่สามารถเอาไปทำลายชีวิตของผู้อื่นได้อาชีพเหล่านี้ก็ไม่ควรจะกระทําเพราะจะทำให้เรามีจิตใจที่มัวหมองได้เพราะเรามาคิดถึงว่าเวลาคนเขาเอาของเหล่านี้ไปทำลายชีวิตของผู้อื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้กระทําเองก็ตามแต่เราก็เป็นผู้มีส่วนสนับสนุน มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เราจึงไม่ควรที่จะหาผลประโยชน์จากการทำลายชีวิตของผู้อ<ม>ื่นหรือสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อ<ม>ื่นเรืเราก็ควรที่จะหาอาชีพที่ถูกต้อง<ม>เพื่ออาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหาอาชีพที่ทําให้คนอื่นเขาได้รับผลคุณประโยชน์ดีกว่าเช่<ม>นเป็นหมอเป็นพยาบา<ม>ลหอ ขายของที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยขายของสังคพันธ์นี่ขายของขายจีวรขายบาทนี่หรือ<ม>ขายอาหาร<ม>ขายเสื้อผ้า<ม>ของอะไรต่างๆอันนี้<ม>เป็นของที่มีคนมีประโยชน์<ม>เรียกว่าเป็นสัมมาชีพนี่คือการกระทําของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ นอกจากการพูดการกระทำที่ถูกต้องแล้วต้องมีอาชีพที่ถูกต้องด้วยแล้วถ้าต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปความทุกข์ยังมีเหลืออีกส่วนหนึ่งคือทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจการที่จะกำจัดความทุกข์ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี้ต้องมีสัมมาวายามอวายโมคือความเพียรชอบ ความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าความเพียรชอบเพียรที่จะสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาเพราะถ้ามีสติมีสมาธิแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากต่า ง, างๆได้กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ไปในใจให้หมดหลังจากที่เรามีสมาชีพแล้วเราก็ต้องมามีสมา วาญามมแปลว่ามีความเพียรชอบมีความเพียรที่ถูกต้องก็มีเพียรความเพียรที่ถูกต้องก็มีอยู่สประการด้วยกันนะคือเพียรละการกระทาบาปเพียรกระทาบุญต่างๆให้ถึงพร้อมเพียรชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติและเจริญสมาธิเราก็จะไปสู่มรรคข้อที่7ข้อที่แตามลาดับคือการมีสัมมาสติ กับสัมมาสมาธิก่อนจะมีสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเราก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติกันการเจริญสตินี้<ม>ถ้าจะเรียกว่าเป็นสัมมาวายามโมนี้ต้องเจริญตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตลอดเวลาที่เราตื่นนี้ต้องมี ส, มสติคอยกำกับใจตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไม่มีผู้กำกับ ใจนี้เปรียบเหมือนกับเป็นนักโทษใจที่มีกิเลสนี้ยังเป็นเหมือนใจที่มีนักโทษเป็นนักโทษอยู่ถ้าไม่มีผู้คุมนักโทษปล่อยให้นักโทษทําอะไรตามอิสระเดี๋ยวนักโทษก็ไปก่อเรื่องไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้งนั้นสตินี้เป็นเหมือนผู้คุมผู้คุมกิเลสผู้คุมความอยากต่างๆเราจึงต้องมีความเพียรที่จะเจริญสติ ตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าสัมมาวายโมมีความเพียรที่ถูกต้องมีเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาพอพอนักโทษเริ่มจะหนีไปแล้วก็ดึงมันกลับมาทันทีพอมันจะหนีไปหาขนมกินไปหนีไปเที่ยวหนีไปเล่นหนีไปทำบาป<ม>ก็ต้องใช้สติดึงมาทันทีใช้พุทโธพุทโธสติก็คือพุทโธเนี่ย ถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจเราก็จะหยุดความคิดได้ความคิดที่จะไปทำบาปความคิดที่จะไปหาความสุขด้วยกิเลสด้วยความอยากต่างๆเราก็ต้องใช้สติเป็นผู้ที่คอยคอยหยุดความคิดและการที่จะทำให้ได้ผลคือได้สัมมาสมาธิเวลาที่เราว่างจากการกระทาอะไรต่างๆ เราก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ใช่แต่เจริญสติเพียงอย่างเดียวแล้วจะทำให้จิตได้สัมมาสมาธิยังไม่ได้อยากจะได้สัมมาสมาธิคืออยากจะได้อุเบกขาได้อัปปนาสมาธินี้พอได้เจริญสติมีกำลังที่จะหยุดความคิดได้แล้วก็ต้องหาที่นั่งนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆเพราะถ้าร่างกายยังมีการกระทำอะไรอยู่นี้ แสดงว่าใจยังไม่นิ่งใจยังมีการกระทำอยู่ใจจะไม่นิ่งไม่ได้ด้วยการเจริญสติเพียงอย่างเดียวใจจะนิ่งได้ก็ต่อเมื่อเรามานั่งหลับตากันแล้วก็เจริญสติต่อจะเจริญบทแบบไหนก็ได้จเจริญพุทโธบริกรรมพุทโธไปก็ได้ถ้หรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือถ้ายัางดูลมไม่ได้ยังพุทโธไม่ได้จะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ ส่วนอิติปิโสภยหลายหลรอบสวดไปจนกระทั่งใจรู้สึกเบาเย็นสบายไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มาดูลมหายใจต่อแล้วถ้าจออยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าสู่อัปปนาสมาธิต่อไปเข้าไปสู่ความสงบเข้าไปสู่ความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติปรังสุ ข, ขัง สุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเราต้องเข้าถึงความสุขอันนี้ให้ได้ถ้าเราต้องการที่จะหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้เราก็จะพาให้เราไปหาความสุขต่างๆภายนอกใจนั่นเองอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะใจไม่มีความสุขในตัวของมันเองใจเลยต้องไปหาความสุขภายนอก หาความสุขจากลาบยศสารเส ร, ร, ส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่าลาบยศสรรเส ร, ริญ ส, สุขนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้ลาบแล้วเดียเดยดเด๋ยวก็เสื่อมลาบได้ได้ยศแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมยศได้สารเสริญแล้วเดี๋ยวก็ได้นินทาตามมาได้สุขแล้วเดี๋ยวก็มีทุกข์ตามมา อย่างนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความอิ่มใจสุขใจเราจะสู้กับความอยากที่จะดึงให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสารเสรินสุขไม่ได้แต่พอเรามีสมาธิแล้วใจของเรามีอิ่มมีความสุขแล้วเวลาเกิดความอยากไปหาลาบยศสารเสริญสุขเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปนะว่าลาบยศสารเสรินสุขนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมันได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาทรัพย์มาทุกข์กับการสูญเสียทรัพย์อีกไม่ว่าจะได้อะไรมานี้เราจะต้องทุกข์กับมันเพราะเราจะรักจะหวงจะห่ว ง, วงความรักความหวงความห่วงนี่แหละเป็นเป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์กันเ<ม>พราะเราได้อะไรมาเราก็อยากให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราเป็นา น, าน แต่เราลักจะลักยังไงจะหวงยังไงจะห่วงยังไงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเพราะนี่เป็นธรรมชาติของราบยศสารเสริญสุขนี้เองในโลกนี้เขาไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนที่ถาวรจะเปรียบก็เหมือนเหมือนกับเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยเมฆบนท้องฟ้ามันจะอยู่บนท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลาคปะเดี๋ยวมันก็ถูกลมพัดผ่านไปเดี๋ยวก็มีเมฆกองใหม่เข้ามา แล้วก็เม่กองเก่าก็ถูกลมพัดไปมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นเวลามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็ดีใจกันพอเวลามันเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบมันก็ทําให้เราทุกข์ใจกันถ้าดาบไลเรายังไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็จะหนีไม่พ้นความทุกข์นั่นเองถ้าเราต้องการที่จะไม่มีความทุกข์ใจเราก็ต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิ เห็นว่าลาบยศสรลเสริญสุขนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้อนาตตามันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราก็อย่าไปหาความสุขจากมันแล้วกลับมาหาความสุขจากการอยู่ในความสงบดีกว่าพอใจสงบใจระงับความอยากได้ใจก็จะสงบขึ้นมาทันที แล้วความสุขที่ได้จากความสงบก็เป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมานั่นเองอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายของของการเจริญมรรคต้องได้สัมมาสติแล้วก็ได้สัมมาสมาธิสามมาสติก็เป็นสติที่ควบคุมความคิดต่างๆได้ตลอดเวลาแล้วพอนั่งสมาธิก็สามารถดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิ เข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาได้พอได้อุเบกขาแล้วทีนี้ก็สามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากไม่ให้ไปทําตามความอยากได้เวลาอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ไปทําได้เพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นอานิจังทุกขังอนัตตาพอจะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญก็หยุดได้เพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นเอง แล้วก็มีความสุขอยู่ในตัวอยู่แล้วมีความสุขจากอัปปนาสมาธิจากอุเบกขาก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอีกต่อไปต่อไปความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดจากใจใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าเป็นใจที่ได้รับการชําระเป็นใจที่ปราศจากความอยากทั้งปวงทั้งสามคือความอยาก อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสารสริญความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอความอยากเหล่านี้หมดไปสิ้นจากใจใจก็สงบร้อยเปอร์็ตลอดเวลาสุขตลอดเวลาเรียกว่าเป็นปรมังสุขขังขึ้นมาใจที่เป็นปรมังสุขขังนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่านิพานนิบานังปรมังสุขขังอันนี้คือ ผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันพอฟังธรรมแล้วเราก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องว่าเราจะต้องพูดต้องทำอย่างไรต้องคิดอย่างไรเราก็จะคิดไม่ทำบาป<ม>คิดตามทำแต่บุญคิดที่จะชำระใจให้สะอาดแล้วเราก็จะการมีการกระทำที่ถูกต้องคือไม่มีการกระทาบา มีการพูดที่ถูกต้องคือไม่มีการพูดปลด <Yeah. S 1> มีอาชีพที่ถูกต้องคือไม่เป็นอาชีพที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น <Yeah. S 1> แล้วก็มีความเพียรพยายามที่ถูกต้อง <Yeah. S 1> คือเอาเวลามาเพียรสร้างสติสมาธิกันดีกว่าดีกว่าเอาเวลาไปหาเงินหาทองกันเ <Yeah. S 1> พราะเงินทองเป็นสมบัติชั่วคราวแล้วไม่สามารถดับความทุกข์ได้ นอกจากไม่ดับแล้วยังสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มขึ้นในใจด้วยซ้าไปเลนอย่าอย่าไปเพียงสร้างหาเงินหาทองให้มาเพียงหาทรัพย์ภายในหาสติหาสมาธิกันพอได้สติได้สมาธิแล้วก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้หมดใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่แหละถึงเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม แบบลิ้นกับแกงอย่าฟังแบบทัพพีในหม้อกแกงฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้แต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงแล้วจะฟังแล้วจะเข้าใจจะสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปการปฏิอิชิตังปะทิตังต um ุมหังเก็ะเมวะสมิจัตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปะนะราโสยะามณะโชตฐิราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตะวันตรลายโสุขีทิคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโน จตารโหัมมาวัานติอายุมโนสุขังภาลัาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยนะเพราะจะให้ถามช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่สะดวก ใครอยากจะถามก็ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้อันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่พราบหาสมัสการเจ้าค่ะผู้ติดตามทางเฟ c บุ๊ o k 3มรท่านยูทู u b e 2ร4ท่านวิทยุออนไลน์9ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ203ท่านรวมทั้งสิ้น851้าบท่านเจ้าค่ะ ใครมีคําถามก็เชิญถามได้เลย น, นักการศึกษาครับอาจารย์ครับก็ในอดีตคือจะฝึกก็คือดูลหมหายใจแล้วก็เข้าพุทออกโทรครับแต่ว่าในละหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือจะเน้นดูลหมหายใจอย่างเดียวคือไม่ไม่ได้พุทโทแล้วครับ mm hmm. คือดูเอาสติมาอยู่ที่ปลายจมูกรู้ว่าลมเข้าลมออกนะครับ mm hmm. ครับแต่พอนั่งแล้วมันเกิดความสงบก็คือมันเกิดปีติคือพวกน้ําน้ําตาไหลแล้วก็ คนพลพองอครับมันจะเกิดผมจะนั่งตอนตีห้าครับแล้วมันจะสว่างที่ตาทั้งสองข้างเป็นแสงขาวสว่างแบบมากๆเลยครับแบบสว่างจ้าเลยครับ อ, อันนี้ไม่เป็นเกิดจากอาการอะไระครับก็จิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่ยังไม่เต็มที่ถ้าพูดตามฌานก็ฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเกิดปิติสุขขึ้นมาก็ต้องดูลมต่อไปจนกว่าจิตจะรวมวุ้ลงไปแล้วก็เน่งทุกอย่างหายไปหมด เหลือแต่อุเบกขากับความว่างสักแต่ว่ารู้งั้นดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปให้ความสําคัญกับแสงสว่างกับปิติอะไรต่างๆมันเป็นเหมือนทางผ่านเนี่ยจากนี้ไปกรุงเทพก็ผ่านพัทยามีแสงสีเสียงก็อย่าไปว่าขับรถต่อไปอย่าจอดดูลมต่อไปอย่าไปเล่นกับอย่าไปดีใจกับปิติสุขแล้วก็ไม่ดูลมมันก็จะติดอยู่ตรงนั้น ถ้าจังคับแล้วคือถ้าเราเอาสติอยู่กับลมหายใจเราก็จะรู้แต่ลมครับแต่คราวนี้ผมลองเอาสติมาอยู่กับกายครับมันเกิดอาการแบบมันทราบท่าไปทั้งตัวเลยครับแบบว่าเรารู้ทั้งตัวเลยว่าเราสัมผัสทั้งตัวเลยไม่ควรไม่ควรเพราะว่ามันมันมันไม่กายมันกว้างเกินไปให้อยู่จุดเดียวที่ปลายจมูกขัมันจะได้รวมได้ขับมาดูที่กายเดี๋ยวมันมันวิ่งไปทั่วตัวตัวร่างกายมันไม่นิ่ง ต้องการให้มันนิ่งให้มันอยู่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมกูกหรือถ้าอยากจะดูที่กลางหน้า อ, อกก็ได้แต่ให้อยู่จุดเดียวอย่าไปแบบทั่วทั่วสพางร่างกายครับอาการทรับซ่านทั้งใจนี่คือเหมือนก็ปิ ต, ปติผลของปิติความโศกขึ้นมามันก็มีอาการครับอย่างเช่นตอนนี้แค่เราเอาจิตไปวางปุ๊บก็สซ่านขึ้นมาเลยครับอก็นั่นแหละก็แสดงว่ามันเป็นผลของการที่เราควบคุมจิตให้นิ่งได้ ยังไม่นิ่งเต็มที่ยังไม่ได้อุเบกขาพระถาจารย์เออย่างหลังจากที่บางทีเรานั่งแล้วเราสงบ ม, มากๆครับเรามาใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยครับบางทีโดนต่อว่าต่อที่กลางฝูงชนอย่างเงี้ยจิตเรามันไม่รู้สึกโกรธเลยครับมันรู้สึกเฉยๆหรือบางทีเราได้รางวัลอย่างเช่นได้ทองคำอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกยินดีกับมันเลยครับเพราะเรามีอุเบกขามากขึ้นครับหลังจากการฝึกสมาธิฝึกสติจะทําให้ใจเรา รถ อ, อารมณ์ลงรดความรักชังกลัวลงลงนี่ก็ถูกถูกแล้วใช่ไหมถูกทางถูกทางครับหมดแล้วครับพยายามให้มันเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเฉยกับราบยศเสริญสุขเฉยกับความเป็นความตายเฉยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์เจ็บปวดวล้วนราวสะพานกายเฉยได้ก็สบายต่อไป ใช้กับอารมณ์ต่างๆสุดท้ายก็ใช้กับอารมณ์ในจิตจิตเรายังมีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่ mm hmm. ก็ต้องเฉยกับมันไปบางที่ก็ <c oughs> สงบบางทีก็ไม่สงบ <c oughs> บางทีก็ฟุ่งซ่านบางทีก็หดหู่ mm hmm. ยังเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางมันเหมือนปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเฉยกับมันไปให้หมดอย่าไปอยากให้มันอสว่างสวายอย่าไปอยากให้มันปิติ ถ้ามันไม่ปีติมันไม่สว่างก็ไม่ต้องไปสนใจอยู่กับความเป็นจริงนั่นเองขอบพระคุณคพาจามย์มากๆ<อ>ทุกอย่างมันไม่เทีย่ยมปิติก็ไม่เที่ยงสว่างสวายขนลุกซ่ามันก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปสิ่งที่เที่ยงก็คือความว่างต้องการความว่างความว่างไม่มีวันหายระอาจาความว่างที่หมายถึงนี่คือมันต้องดับสนิทเลยหรือว่ามันมีเกิดเป็นดวงขึ้นมาครับ อ๋อมันไม่เป็นดวงมันเป็นความว่างเพื่ออุเบกขานั่นนะครับใจมันว่างจากอารมณต่างๆว่างจากความรักชังกลัวลงถึงแม้จะมีความคิดอยู่แต่มันไม่มันไม่เหมือนกับตอนที่ไม่มีอุเบกขาเวลาไม่มีอุเบกขาคิดอะไรแล้วมันจะร้อนจะขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วคิดอะไรมันก็เฉยนี่ได้ยินอะไรมันก็เฉยไปถึงจุดนั้นให้มันให้มันได้อัปปนาสมาธิให้ได้ พยายามเดี๋ยวพยายามฝึกครับทำต่อไปครับขอบคุณครับนี่รวมมาสี่าว่าเนี่ยสามแล้วครับสามเดี๋ยเดี๋ยวรอรอพี่สี่พี่สี่นี่เอาสุดท้ายเลยบ้าก็อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นอย่างงั้นครับดีนะครับคุณหมอมีอะไรจะถามไหมเชนหลวงพ่อเจ้าขาเมตตาสอน สอนให้ดูผมแบบสมถะแล้วก็พิจารณาผมแบบวิปัสสนาให้หนูด้วยเจ้าค่ะว่าหนูกําลังฝึกอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าครบทั่วรหรือเปล่ า, าก็ดูเฉยๆนึกถึงเฉพาะภาพของผมให้มันให้จิตอยู่กับผมอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้สมถะต้องไล่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องไล่ถ้าจะเอาผมเป็นอารมณ์อย่าดูลมแทนที่จะดูดูลมก็ไปดูผมแทน ดูเฉยๆดูลักษณะของผมตอนต้นก็ลืมตาดูก่อนค่ะแล้วก็หลับตาสร้างภาพนั้นขึ้นมาในใจค่ะมันก็จะเป็นการสมถะสมถะ ถ้าต้องการวิปัสนาก็ดูมันเปลีป่ยนแปลง เ, เ, เดี๋ยวผมร่วงเดี๋ยวผมงอก เ, ออเดี๋ยวก็ศีรษะล้นค่ ะ, ะ แ, ลแล้วที่อ่านตำราว่าน้ำมูดน้ำคูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเลือดหนองน้ำเหลืองออรวมเป็นผมงอกขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นอะไรเจ้าคะที่เขาให้ไล่นี่เจ้าคะ อ, อ๋อคืออาการต่างๆที่มีในระ่างกายของเราไงเหมือนกับนักศึกษาแพทย์ เรารู้ว่ร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกเหมือนนะอนา t o m y เนี่ยความจริงก็เรียน anatomy เราจะได้ไม่หลงไหลกับร่างกายตอนนี้เราไม่เห็นส่วนภายในกันเห็นแต่ภายนอกเวลาเห็นดาราเห็นนายแบบนางแบบโอ้เ ต, ต้นแท้นวัดแต่ <laughs> ไม่คิดถึงอุจจาระปัสสวะของนายแบบนางแบบน้าง <laughs> มันมองไม่เห็นนี่ไม่คิดถึงน้ำมูดน้ำ น้ำมันน้ำเลือดน้ำเหลือง อ, อะไรที่มีในร่างกายของทุกคนที่หนูไปเข้าใจว่าสมถะคือการไล่ไล่มางอกผมงอกผมผมงอกออกมาแล้วก็เปลี่ยนสีที่ว่าห้าอย่างเดีค่ะสันฐานสีกริ่นอันนั้นถ้ามีการดูดูการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าปัญญาไม่ปััสนาดูอั น, นิจัง ออดูอย่างนั้นก็ได้มันก็คล้ายๆพิจารณาเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะก็พิจารณาแล้วแหละอ๋อแล้วก็พิจารณาไปถึงว่าผมร่วงอผเป็นโรคอะไรตาไปตามที่เราจะพิจารณาได้นะคะแต่ถ้าจะเข้าสมาธิก็คือต้องจ้องผมไปเลยจ้องเพ่งเฉยๆเหมือนโยมอย่าไปคิดไม่พิจารณาแล้วที่หนูฝันว่าผมหนูแบบ ทั้งออกทั้งเส้นใหญ่ไม่สวยนี่คือเพลงอันนี้ก็ได้เหรอเจ้าคะก็ได้ได้ก็เพลงเฉยๆอย่าไปคิดให้รู้ตามความเป็นจริงก็ได้มันก็เป็นทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะพร้อมๆกันถ้าได้วิปัสสนามันก็ได้ได้สมถะนี่ไหค่ะเพราะถ้าเห็นความจริงมันก็ปล่อยวางผมพอปล่อยวางผมจิตก็สงบไม่ต้องแยกกันนะเจ้าค่ะหมายความว่าเราก็ทําไปพร้อมๆกันแบบได้ก็ได้อ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้าดูเฉยๆอย่างเดียวก็จะเป็นสมถะ แต่ถ้าดูการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นวิปัสสนาก็คือเราทับไปพร้อมกันเลยก็ก็ได้นะเจ้าค่ะเพราะว่าก็ลองดูไม่ได้แยกกันอันไหนที่ถูกจริตกับเราเราก็ก็กลายเป็นปัญญาอบรมสมาธิไปถ้ามันแยกกันถ้ามันพิจารณาก็เป็นปัญญาเราก็ทาจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เจ้าค่ะถ้าเพ่งดูผมอย่างเดียวไม่ดูการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสมถะไป ก็ผสมผสานไปเลยนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าดูพินาตัวเองแล้วมันไม่ได้ฟูงออกไปข้างนอกเจ้าคะ่ะมันก็วนเวียนอยู่กับไอ้ตรงเนี้ยอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะใช่ต่อไปก็ต้องมองของร่างกายของคนอื่นด้วยร่างกายของคนที่เรารักเราชอบด้วยวิธีตัดความรักความชอบเ่อร่างกายของเขาก็ไม่น่ารักน่าดูยัไงอ๋อแล้วเจ้าคะ่ะเรียกว่าสุภาพหรว่าสุภาพเพราะตัดกามาราคะตัดกามารมณ์ หมายความว่าหนูดูไปสักพักหนึ่งแล้วหนูก็ดูอสุภาต่อไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะหนูตอนไหนก็ได้ถ้าเราสะดวกเราพร้อมที่จะดูได้ก็ดูได้อ <wh> ๋ ok อเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจา้าค่ะพระผู้คุณเจ้าค่ะถ้าไม่มีกําลังดูก็อาจจะต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนสร้างสมาธะขึ้นมาก่อนแต่ว่าช่วงหลังๆหนูจะง่วงอย่างที่หนูทํางานเยอะเจ้าค่ะแต่ว่า ห, หนูก็เลยใช้วิธีเดินจงกรมแทน ก็ต้องยอมรับสภาพของเราว่าเรายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติแบบเต็มที่เจ้าค่ะมีอุปสรรคเยอะก็เหมือนขับรถอยู่ใต้ทางด่วนยังขึ้นทางด่วนไม่ได้ก็ครับกใจเย็นๆขับไปเรื่อยๆจค่ะจอดบ้างหยุดบ้างติดบ้างรถติดบ้างอะไรก็ว่าไปหลับบ้างอะไรก็เจ้าค่ะขอบพระคุณแต่ถ้าขึ้นทางด่วนแล้วมันก็พรวดเดียวก็ถึงเจ้าค่ะขับขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ เกิดดังเดือนก็เกิดปเปรย์เปรย์ไแวกอยู่คนเดียวไม่ยุ่กับใครคำถามจากคุณมีมี่เจ้าค่ะเราจะอธิบายให้เด็กสมัยนี้เข้าใจได้อย่างไรในเรื่องการมาเกิดของเขาเนื่องในเนื่องจากในโลกทวิตเตอร์เขามีวิธีคิดที่เชื่อกันว่าพ่อแม่ทําให้เขามาเกิดเองเขาไม่ได้อยากมาเกิดค่ะก็มันก็เป็นเรื่องของการมีมิจฉาทิฏฐิ เรไปคบกับพวกที่มีมิฉชมิชชัทิติเขาก็มิชชั่ทิติมาสอนพวกทวิตเตอร์ก็มันเป็นเครื่องมือทวิตเตอร์กลุ่มคนที่เขามีคําสอนที่ดีก็มีธรรมะในทวิตเตอร์คงจะมีถ้าเราแบบเฟซบุ๊กมีทั้งธรรมะมีทั้งอธรรมแล้วแต่ว่าเขาจะไปคบกับกลุ่มไหนที่ในมงคลรัศดรท่านนึงสอนว่าให้คบคนฉลาด ให้ครบคนมีสัมมาทิฏฐิอย่าไปครบคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอย่นั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องสอนว่าอันไหนเป็นความคิดที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือจิตของของลูกจิตของทุกคนมีความอยากจะมาเกิดกันก็เลยต้องหาที่เกิดกันที่เกิดก็คือพ่อแม่พอพ่อแม่สร้างร่างกายขึ้นมาปั๊บมันก็จะไปเกาดทันที ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ส่วนพ่อแม่เขาก็มีเห็นมีความอยากที่จะหาความสุขจากกันละกันแล้วผลจากความอยากนี้มันก็ทําให้สร้างร่างกายขึ้นมาร่างกายของลูกลูกก็มาดวงวิญญาณของลูกก็มาเกาะที่ร่างกายนี้แล้วก็พอออกมาก็เป็นภาระหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูไปด้วยความเมตตาตามจริงพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูก็มีเยอะแยะจับยัดถุงพลาสติกก็มี อย่กดน้ำก็มีเห็นลูกที่โตขึ้นมาได้นี่ต้องอย่าลืมบุญคุณของพ่อแม่ ถ, ถ้าพ่อแม่ไม่มีความเมตตาก็อยู่มาไม่ได้ถึงวันนี้หรอกอยู่มาดูทวิตเตอร์ไม่ได้หรอกที่อยู่มาดูทวิตเตอร์ได้ก็เพราะความเสียสละของพ่อแม่แต่พ่อแม่บางคนก็ไม่อยอมเสียสละนี้ไม่ทันออกมาทำแท้งซะก่อนนะก็มีบางที่ออกมาแล้วก็ทิ้งบางคนก็ไปทิ้งอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างเพราะเขาไม่ต้องการเสียสละความสุขของเขา mm. พเพราะเลี้ยงลูกแต่ละครนี้มันต้องเสียสละมาก mm. จะไปเที่ยวเตะไปกินเหล้าเมา ย, ยากับเพื่อนฝูงเหมือนเมื่อก่อนก็ไปไม่ไดนะ้ต้องคอยเลี้ยงลูกง mm. ั้นถ้าลูกไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ mm. ก็แสดงว่ามืดบอดมาก mm. พูดได้เท่านั้นนะของยิงถ้ามันมันิดไมเป็นก็ไม่รู้จะช่วยจะพูดยังไง ถามจากคุณบีนี่เจ้าค่ะอยากกราบถามพระอาจารย์ว่าคนเราต้องมีบุญวาสนาถึงจะได้เจอกันและต้องเคยทําบุญในอดีตถึงจะได้มาสนใจพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเพราะมีเพื่อนที่เป็นคนดีแต่เขาไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเลยบอกก็ไม่เข้าถึงคะ่ะก็ยังไม่ดีจริงเลยถ้าดีจริงต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเราจะเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแสดงว่าเขายังไม่ดีจริงถ้าเขาดีจริงถ้าเขาได้ศึกษาได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเขาจะปฏิเสธไม่ได้เพราะพุทธศาสนานสอนแต่สิ่งที่ดีๆไม่มีสิ่งอะไรในศาสนาในคําพูดของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยคําถามจากคุณนริมนค่ะ ถ้าเราจำเป็นต้องฉีดปลวกเพราะปลวกกินไม้ในบ้านชนผูพังเป็นบาปไหมเจ้าคะบาปถ้าทำให้เขาตายคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะขอโอกาสกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์สุชาติ เรื่องการบริจาคร่างกายอวัยวะในกรณีนี้ผู้ตายที่ได้บริจาคหัวใจจะได้บุญไหมคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่จะเป็นผู้ได้บุญนี้คะหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นใครมันเกี่ยวอะไรกับผู้บริจาคอะเหมือนกับว่าผู้ตายบริจาคหัวใจให้แต่ว่าบุญนี้จะตกแก่เขาหรือคุณพ่อคุณแม่ค ะ, ะจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่ยังไม่ตาย ต้องรู้ว่าตอนนี้ได้เสียสละอวัย ว, วะส่วนนั้นส่วนนี้ไปชเช่นบริจาคเลือดบริจาคตายไปข้างอรย่างเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจคือความสุขที่เกิดจากการเสียสละอันนี้ถึงจะเรียกว่าได้บุญแต่เวลาตายไปไม่ไม่มีความรัรบรู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่รู้ว่าเขาเอาร่างกายไปให้ใครไปทำอะไรไม่รู้ก็เหมือนกับไม่ได้บริจาคถ้าอยากจะได้บุญได้ความรู้สึกที่ เกิดจากการเสียสละก็ต้องทำตอนที่เรายังรับรู้อยู่คำถามจากคุณนรงชัยค่ะกราบนามสการพระอาจารย์ครับกราบเรียนถามว่าสามีภรรยาตั้งใจปฏิบัติธรรมกันมานานหลายปีมีจิตสงบสุขพอควรแต่ก็ยังมีเหตุทะเลาะ เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงอยู่เป็นระยะจะแผ่เมตตาอย่างไรจึงจะดีขึ้นครับกราบสาธุครับก็ให้อภัยกันไงเอาเวลาหงุดให้อภัยกันคือเขาทำอะไรก็อย่าไปถือโทษกดเคมคิดว่าเหมือนลิ้นกับฟันบาทีลิ้นกับฟันมันก็ขบกันถ้าเปโกรธก็ไปตัดลิ้นทิ้งแล้วไปถอนฟันออกมันก็จงยิ่งแย่ใหญ่ ยิ่งถ้ายังต้องอยู่ด้วยกันก็อย่าอย่าไปโกรธไปเกลียดกันเพราะเราเน้นจะทำให้การอยู่ร่วมกันไม่เป็นสุขถ้าอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขก็ต้องให้อภัยกันเถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นธรรมดาคนเรายังมีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกันมาเวลาพอมีความเห็นที่ขัดกันมันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็ต้องยอมรับสภาพว่า เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะคิดของเขาเราก็มีสิทธิ์เห็นทางที่ดีที่จะลดลดปัญหาก็คือให้สมวนส่วนต่างให้ประสานส่วนเหมือนอย่าไปพูดในเรื่องที่เขาไม่ชอบฟังอย่าไปชวนเขาทำในเรื่องที่เขาไม่ชอบทำดูว่าเขาชอบทำอะไรเขาชอบฟังอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาพูดมาทำดีกว่าแล้วก็จะไม่มีปัญหาตามมาต้องลดลาวาสอกกันนะ แต่ถ้าเอาแพ้ชนะกันก็พังต้องรู้จักยอมหยุดเย็นบ้างยอมแพ้หยุดหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านแล้วใจก็จะเย็นคำถามจากคุณพิชาพรค่ะกราบนามสการเจ้าค่ะกราบเรียนถามว่า หากดิฉันเป็นผู้ทำของใส่บาตรในทุกๆวันแต่ไม่ได้เป็นคนใส่บาตรคนส่วนใหญ่จะบอกดิฉันว่าในชาติหน้าดิฉันไม่ได้กินของเหล่านั้นจริงหรือไม่เจ้าคะไม่จริงหรอกคือการทำบุญนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้ทำ 100% เรซเช่นเราทำกับข้าวของเป็นของเราแต่เราไม่มีเวลาว่างที่จะเอาไปถวายพระ ด, ด้วยตนเอง เราก็ได้ 98% เพราะส่วนใหญ่มันบุญอยู่ที่การเสียสละของเราส่วนอีก 2% ซนี้ก็ยกให้คนที่เขามาช่วยเอาของไปใส่บาตรให้ท่านเอคำถามจากคุณสุรจิตค่ะเรียนถามพระอาจารย์คำว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนต้องเข้าใจอย่างไรครับก็เข้าใจเหมือนกับลมพัดเนี่ย ลมพัดก็ไม่มีตัวตวนนะลมพัดมันก็มันก็พัดของมันตามเหตุตามปัจจัยสัญญาความจําเวทนาความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุที่มาทําให้มันเปลี่ยนไปเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยจะสั่งให้มันหายปุ๊บเนก็หายไม่ได้เวลาไปจําเรื่องที่ไม่ดีมาทําให้ใจเศร้าก็หยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิต ถ้าเราฝึกจิตเราก็จะหยุดมันได้เป็นพักๆไปักนก็มันก็เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศไม่มีใครสั่งไม่มีใครไปบังคับมันมันมีเหตุปัจจัยที่ไปทำให้มันไปเป็นไปตามเรื่องของมันคำถามจากคุณโวก์ค่ะพระอาจารย์ครับ ดวงตาเห็นธรรมนั้นคือการรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เราส่วนที่เป็นเราคือจิตใช่ไหมครับนั่นแหละหัวใจของสัมมาทิฏฐิก็ตรงนั้นต้องรู้ว่าร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนผู้ขับรถยนต์แล้วใจนี้แหละเป็นผู้ที่กระทำบุญทำบาปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปต่อไปเราไมีคําถามเลย อาเาิญถามได้ค่ะอาจารย์มีวิธีปรับพระบุรศาสนากับสัตวรรัที่11ยังไงบ้างคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มออกมาเยอะขึ้นเด็กก็เข้าวัดน้อยลงแล้วจะทำยังไงคะทำยังไงว่าหมายถึง<ป>ว่าให้ปรับเ อ, อ่อวิธีที่จะทำให้พระพุรศาสนาเข้ามาในคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะ อ๋ก็เมื่อก่อนแค่เขามีหลักสูตรพข้พุทธศาสนาอยู่ในโรงเรียนไงแต่สมัยนี้ก็ตัดออกไปหมดมันก็เลยไม่มีใครสอนเรื่องพุทธศาสนาก็ก็เป็นเรื่องของของสังคมเรื่องของกระแสของทางโลกกระแสของทางโลกนี้ต้องการความเจริญทางวัตถุทางกิเลสตัณหาอยากจะทําอะไรตามใจชอบอยากจะกินเหล้าอยากจะเที่ยวอยากจะประพฤติผิดประเวณี แต่ถ้ามาศึกษาทางศาสนาก็จะไปขัดกับพิเลสเขาเขาก็เลยไม่เข้าหาหาศาสนากันเห็นเราไม่สามารถที่จะไปไปปรับกระแสของของโลกของสังคมได้มันต้องเป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยของมันสิ่งที่เราทําได้ก็คือปรับใจเราตัวเราคนเดียวเนี้ให้เราเข้าหาพระพุทธศาสนาไว้ก็แล้วกันเพราะถ้าเรามีพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ รู้ว่าเราควรจะทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรส่วนคนเื่นเขาจะไม่รู้ไม่ทําก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของกรรมของของสัตว์ไปแต่เราคนก็มีกรรมเป็นของตนเขาอยากจะกินเหล้าเราจะไปบอกเขาว่ากินเหล้าไม่ดีเขาก็ไม่ฟังเราเราจะไปไปพูดไปพูดผิดประเวณีไม่ดีเราเราไปบอกเขาเขาก็ไม่ฟังเรามันก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปตามความอยากของเขาตามความเห็นของเขา เพราเขาไม่เห็นว่าผู้ที่รับผลบุญผลบาปคือใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราจะคิดว่าตายแล้วสูนตายแล้วจบแต่ทางศาสนาว่าสอนไม่จบบุญบาปที่ทำไว้ยังมีผลต่อไปคือเรานี้ก็ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่จะต้องรับผลบุญผลบาปต่อไปเรื่องของคนอื่นเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ นอกจากเขาอยากจะให้เราช่วยเราก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจก็เหมือนเทน้ำใส่แก้วที่มันคว่มอยู่เทไปมันก็ไม่เข้าไปในแก้วใช่ไหมถ้าใจเขาไม่สนใจเรื่องศาสนาไปพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังถามนี้ได้ไหมค ะ, ะถามว่าเออเวลานั่งสมาธิอะค่ะสมมติหลับตา แล้วต้องไม่คิดอะไรหรือว่าให้คิดว่าพุโทโธอให้พุโทโธอย่างเดียวแล้วดูลมอย่างเดียวไม่ให้ใช้ความคิดหยุดความคิดให้พูดว่าเข้าออกเข้าออกเหรอคะไม่ต้องพูดให้รู้เฉยๆว่ากําลังเข้ากําลังออกอเพราะว่าแล้วถ้าหนูหนูแบบหยุดคิดไม่ได้เพราะแบบก็ <S <S 2> <S 2> ต้องท่องพุโทโธไปก่อนส่วนมนไปก่อนเพื่อเพื่อจะได้หยุดความคิดได้เพราะถ้าเราสวดมนต์เราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือคิดได้ยากขึ้นใหม่ๆมันยังอาจจะคิดแข่งกับการสวดของเรา แต่ถ้าเราตั้งใจสวดจริงๆต่อไปมันก็ไม่สามารถไปคิดได้แล้วพอมันไม่คิดแล้วค่อยมาดูลมหายใจต่ อ, อแล้วใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงความสุขที่ได้จากความสงบ แ, แล้วเวลาอ่านหนังสืออะค่ะถ้าแบบสมาธิหลุดง่ายมากเลย ต้องฝึกสติไว้ต้องหัดท่องพุโทธโธพุทโธอยู่เรื่อยๆให้จิตอยู่กับปัจจุบันอย่าให้ไปคิดถึงอดีตอนาคตฝึกให้มีสติทำอะไรให้มีสติให้มีความระมัดระวังอยู่กับการทำอยา่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ทำงานอยู่ต่อไปมันก็จะมีสติแต่เราใช้คาว่าสมาธิความจริงสมาธิมันเป็นผลที่จากการมีสติ พอมีสติใจก็นิ่งก็เป็นสมาธิที่ใจไม่นิ่งมันก็ไม่มีสมาธิไม่มีสติคอยควบคุมใจให้นิ่งต้องฝึกสติเราหัดท่องพุทโธไปเรื่อยๆดูท่องไปภายในใจต่อไปมันก็จะมีสติมีสมาธิขึ้นเราดูหนังสือมันก็จะดูแต่หนังสือมันก็จะเข้าใจง่ายจำเป็นตั้งจําได้ง่าย แต่ถ้าดูหนังสือไปคิดถึงทว i ต t e อร์คิดถึง Facebook คิดถึงการเมืองอะไรมันก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะครับฝึกสติไว้นะไปควบคุมความคิดต่อไปโอเคหมดเวลาพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่วเวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิพจารณาไปปฏิบัติ